ข้อมรทนาเนะีโยมพ่อโยมแม่นะมาก็เรียกเป็นโยมพ่อโยมแม่แล้วก็คณะครูอาจารย์โรงเรียนบรรจงรัฐ เ, ออเราในฐานะที่เป็นครูเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนบรรจงรัฐและตลอดถึงญาติโยมที่มาร่วมในครั้งเนี้เคยสังเกตคําว่าบรรจงรัฐไหมว่าหมายถึงอะไร ออถ้าหากว่าสังเกตรหรือพิจารณาจะเห็นว่าคำว่าบรรจงเนี่ยเขาแปลว่าการกระทำที่ประนีดการกระทำที่ดีการกระตกแต่งที่ประเสริฐนั่นแหละท่านว่าบรรจงเนี่ยเป็นการกระทำที่ประนีดส่วนรัตนะในที่นั้นน่ท่านขับเน้นแก้วสามประการไอแก้วสามประการในที่นั้นถ้ารัตนะที่ประเสริฐที่สุดเนี่ย ท่านหมายถึงแก้วดวงที่หนึ่งคือพุทธรัตนะแก้วดวงที่สองคือธรรมรัตนะแก้วดวงที่สามก็คือสังครัตนะทีนี้พอบอกว่าการกระทำที่ปราณีตที่มาจากคำว่าบัญจงกับคำว่ารัตนะก็คือหมายถึงสูงสุดหมายถึงพระรัตนไตรก็ต้องบอกว่าหมายถึงการบัญจง รักษาหรือการทาอย่างประณีตต่อพระัตนาไตรเออเราจะรักษาพระัตนาไตรทําไมทําไมต้องรักษารัตนาไว้ถทำรัตนาดีอย่างไรลําดับแรกที่เราฟังกันมาคือพุทธรัตนาเนี่ยเป็นรัตนาอันประณีตเป็นลัตนาอันเบิดเป็นลัตนาอันสูงสุดเมื่อบุคคลอาศัย หรือได้บริโภค ร, รัตนะเหล่านี้แล้วจะทำให้กระแสชีวิตนั้นน่ะเข้าสู่ความดีงามประเสริฐและก็เลิศฉะนั้นสิ่งต่างๆตรงเนี้ยถ้าเรามองอย่างนี้จะเห็นชัดว่าผู้ตั้งชื่อโรงเรียนจะเข้าใจแค่ไหนนั้นไม่ทราบแต่ความหมายของโรงเรียนกลับไปสอดคล้องกับคำว่าแก้วสามประการ ทีนี้รัตนะที่ทางโลกเขาถือว่าประณีตเนี่ยประเสริฐเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช้างแก้วใช่ั้ยช้างมงคตเนี่ยก็เป็นรัตนะเนีม้าแก้วเนี่ยเป็นลัตนะของพระเจ้าจากักรพรรดิคุณคังแก้วเนี่ยบุคคลที่สามารถจะสแสวงหาทรัพย์ได้โดยด้วยอำนาจของบุญตลอดถึงเกี่ยวกับในเรื่องของรัตนะหรือมณีแก้ว ก็คือพวกเพชรนินจินดาและอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าขุนพลแก้วขุนพลแก้วลักษณะอย่างนี้ก็คือเป็นประดุดดังบุคคลที่อยู่เคียงกายใกล้กับพระราชาหรือพระเจ้าจากักรพรรดิอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกนางแก้วนางแก้วเนี่ยคือแก้วที่ประเสริฐก็คือเหมือนสตรีที่มีความงามที่สุด รัตนาเหล่านี้ท่านก็มาเทียบว่าสู้รัตนะคือพุทธรัตนาะธรรมรัตนาะและสังค ร, รัตนะไม่ได้ฉะนั้นพอรัตนะตรงนี้ท่านขับเน้นอะไรพุทธรัตนะท่านก็กล่าวพระธรรมซึ่งเป็นความจริงซึ่งเป็นเรื่องของเหตุและผลเป็นเรื่องของความดีงามเช่นพระพุทธเจ้ากล่าวในเรื่องของทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศล ท่านศีลภาวนาก็เลยกลายเป็นธรรมรัตนะเป็นรัตนะอันประเสริฐหรือศีลสมาธิปัญญาที่งเป็นตัวสิกขาสามเนี่ยเป็นตัวข้อปฏิบัติอันนี้ก็แปลว่าเป็นรัตนะอันประเสริฐทีนี้ถ้าเรามองอย่างนี้ก็จะเห็นอะไรถ้าคณะครูในโรงเรียนหรือบุคลากรในโรงเรียนตลอดถึงบุคคลที่มีส่วนร่วมตลอดถึงประชาชนทั่วไปเนี่ย เข้าใจคำว่ารัตนะว่าเพราะพระพุทธเจ้านี่แหละจากเดิมก็เป็นมนุษย์ธรรมดานี่แหละแต่พระองค์ก็ทรงฝึกตนเองพัฒนาตนเองบำเพ็ญบา ร, รมีที่สุดจริงๆก็เป็นพุทธรัตนะเป็นรัตนะอันประนีตเป็นรัตนะอันสูงสุดได้ทีนี้ เมื่อเป็นพุทธรัตนะเป็นรัตนะปานีสูงสุดหรือเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็กล่าวสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่พระองค์ทรงตัดสรู้ได้ด้วยตนเองเวลาเราสวดมนต์พุทธคุณก้าเนี่ยอิติปิโสพระควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจารณาสัมปันโนเนี่ยเราก็สวดกันไปเรื่อย ๆ, ๆแต่ถ้าเราจับประเด็นไม่ได้จับแกนกลางไม่ได้จับจุดไม่ได้หาจุดจับไม่ได้แล้วก็เลื่อนลอยเพียงได้ปิติไปวันๆหนึง่ง แต่ถ้าจับหลักได้ว่าอ๋อพระพุทธเจ้านี่แหละจากเดิมเป็นมนุษย์แต่สามารถพัฒนาตนเองเป็นพระพุทธเจ้าได้เป็นรัตนะที่มีค่าได้เออบัญจงรัตเนี่ยเราเออการรักษารัตนะเนี่ยการบัญจงการทาต่อรัตนะอย่างประณีตอย่างสูงสุดเนี่ยเออเป็นสิ่งที่ประเสริฐเออเราจะทําลงรักษาไว้ซึ่งพุทธรัตนะเราจะเอาจิตใจของเรานั้นมีความเชื่อมั่นต่อพุทธรัตนะอย่างมั่นคง ถามว่าเชื่อมั่นต่อพุทธรัตนะแล้วเราจะได้อะไรเมื่อได้ศรัทธาในพุทธรัตนะแล้วเราจะมีศรัทธาเชื่อมั่นและปรารถนาที่จะฟังธรรมรัตนะที่พระองค์ทรงแสดงเมื่อฟังธรรมรัตนะเราก็ใช้พระธรรมนั่นแหละมาเป็นข้อปฏิบัติเขาเรียกว่ามาเป็นคติมาเป็นทางดําเนินของชีวิตเหมือนที่กล่าวไว้ตอนที่พูดถึงอาราวาคยักษ์พูด ท่านกล่าวนั่นแหละที่บอกว่าสโสอาหังเวจาริสามีคามาคามังปุราปุรังนมสมมโนสัมพุทธังธรรมสัจจสุธรรมตังบอกว่าข้าพเจ้านี้จากเที่ยวไปจากบ้านสู่บ้านจากบุรีสู่บุรีเพื่อ นามส ก, การความตัดสรุดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความเป็นธรรมดีของพระธรรมและการประพฤติปฏิบัติดีของพระริยสงฆ์นี่แปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่าเขามีพระัตนะไตรหรือมีรัตนะเป็นทางดำเนินมีรัตนะเป็นเครื่องนำทางมีรัตนะเป็นที่ไปในเบื้องหน้ามีรัตนะเป็นคติ เป็นทางดำเนินของเขาถ้าแปลว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจักบัญจงรักษารัตนาอันประนีรัตนาอันสูงสุดรัตนาอันประเสริฐคือแก้วสามประการนี้ไว้ในกระแสของชีวิตไม่ว่าเราจะไปนทิ์ใดไปอยู่บ้านไปอยู่หน้าทีต่ต่างๆเราจะมีรัตนะนี่แหละเป็นคติเป็นทางดำเนินเป็นที่เป็นไปในเบื้องหน้า เราจะไม่ให้กระแสชีวิตของเราเนี่ยเดินออกนอกเส้นทางจากพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตรนะอีกแล้วเมื่อเราทําได้อย่างนี้ความดีที่สูงสุดคือพระระตัตนไตรก็จะคุ้มครองกระแสชีวิตของเราให้ปลอดภัยจากอุปสรรคและปรพยานอันอตรายทั้งหลายก็เลยไปสอดคล้องว่านี่ไงเออรัตนะนี้ก็เลยมาสอดคล้องว่าเอาละ ต่อไปแล้วก็มีอุดมการตั้งมั่นเอาแล้วเป็นบุคลากรของโรงเรียนบรรจงรัฐทีนี้การทำงานแล้วก็ตั้งหลักแล้วเออการทำงานมันมีผลโดยตรงกับผลโดยอ้อมผลโดยอ้อมคือค่าตอบแทนที่ทางโรงเรียนมอบให้เงินเดือนสวัสดิการก็รว่าไปอันนี้คือผลโดยอ้อม แต่ผลโดยตรงก็คือทักษะความรู้ความสามารถความชำนิชำนาญความสุขที่ได้จากการรักษาพัตนาใจไว้ในใจแล้วก็พัฒนาชีวิตของตนเองให้เข้าไปสู่ความดีงามและประเสริฐแลก็เลืออันนี้เป็นผลโดยตรงทีนี้ถ้าเราเอาความสุขเอาเป้าหมายเอาความหวังสูงสุดมาอยู่ที่ผลโดยตรง ไม่ได้ไปตั้งไว้ที่ผลโดยอ้อมผลโดยอ้อมเนะี่ยจะขึ้นจากลงมันอยู่ตามที่กติกาที่ตกลงกันแต่ผลโดยตรงแปลว่าอะไรแปลว่าเราได้ความสุขเราได้เจริญกุศลเราได้ทําความดีเราได้ให้วิชาการแก่บุคลากรของโรงเรียนของประเทศเราได้ฝึกฝนอบรมพัฒนาเยาวชนนั้นให้เป็นคนดี ให้มีวิชาการที่ไม่มีโทษสามารถที่จะเอาวิชาการเหล่านั้นไปประกอบอาชีพแล้วก็เลี้ยงชีวิตตนเองได้และในขณะเดียวกันจากความที่เราตั้งมั่นในรัตนะนี้แหละเราบัญจงรักษารัตนะ น, นี้แหละลัตนะก็เลยเต็มในห้องใจในกระแสชีวิตของเราคุณความดีอันประณีตอันสูงสุดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเช่นเมตตากายกรรม เห็นไหมหลักที่หลักยึดโยงที่จะเป็นเครื่องให้ระลึกถึงกันระหว่างครูระหว่างนักเรียนระหว่างบุคลากรระหว่างพ่อแม่ของนักเรียนทั้งหลายหรือประชาชนทั้งหลายที่เกี่ยวข้องแล้วก็จะมีหลักยึดโยงคือพระธรรมรัตนะนั่นแหละเพราะเอาพระธรรมราตนะไว้ในกระแสชีวิตเราก็มีเมตตากายกรรมก็ทําออกทางกายก็ทําด้วยเมตตา มีความรักความปรารถนาดีความเอือ้อทอนแบบจับจิตจับใจที่ออกไปสู่อะไรเมตตาเ อ, อ่อล้นในกระแสชีวิตมันก็ออกมาทางกายกรรมทางวจีกรรมทางมนโนกรรมบุคคลที่เข้ามาสัมผัสก็ได้รับรู้ว่าโอ้ท่านผูนี้มีเมตตาจริงๆในยามที่สภาพบุคคลหรือสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตหรือบุคคลทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือเป็นครูด้วยกัน เขาประสบความทุกข์เราก็มีกรุณากายกรรมก็คือทําต่อเขาเกื่อนหนุนช่วยเหลือเขาด้วยกรุณปาปรารถนาให้เขาพ้นจากวัตจัทุกข์หรือพ้นจากความทุกข์มีการหยิบยื่นไปช่วยเขาในแรงกายช่วยเต็มที่เพราะมีความการุณาต่อกันและกันอันนี้ก็เป็นจุดยึดโยง และต่อมาถ้าหากว่าเขาได้ดีบุคคลที่เกี่ยวข้องเขาได้ดีเขาประสบความสำเร็จในชีวิตกายกรรมก็เป็นมุทิตากายกรรมใช้กายไปแสดงไปร่วมในการที่จะยินดีกับเขาด้วยความจริงใจ เห็นไหมการแสดงออกมาทางกายทั้งกายกรรมที่เป็นไปกับเมตตากายกรรมที่เป็นไปกับกรุณากายกรรมที่เป็นไปกับมุทิตาก็สามารถขับเน้นออกมาได้จากความคิดได้จริงตัวพรมวิหารธรรมก็ไหลหลังในใจนี่ไงพระธรรมรักษาเราแล้วพระธรรมก็ไหลออกไปจุดเชื่อมโยงทําให้เป็นเหตุแห่งการระลึกถึงกันทําให้สภาพของการยึดเหนี่ยวน้ําใจกันไว้ได้แม้จะให้ฐาน มีการให้สิ่งของเห็นไหมว่าเรามีสิ่งของเปเป็นอาหารจะเป็นเสื้อผ้ามีการให้สิ่งของซึ่งกันและกันเหมือนกับการมาถวายหรือรดน้ากันเนี่ยอันนี้ให้ด้วยอะไรเนี่ยให้ด้วยเมตตากายกรรมเป็นต้นหรือมุทิตากายกรรมก็ว่าไปตามสถานนะทีนี้ทางวจีกรรมละ่ะก็เปล่งกล่าวที่เป็นปิยวาจา ปิยาวาจาก็คือมีความรักความปรารถนาดีพูดด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีด้วยความเอื้อทอนแบบจับจิตจับใจพูดด้วยกรุณาเมื่อเห็นเขาประสบความทุกข์ก็พูดดเห็นไหมกรุณาและเมตตาการุณาเนี่ยมันเกิดที่ใจนียมันมาจากการดําริถู ก, ก่อนนะดําริรักเขามันถึงจะมีเมตตาออกมาทางกายทางวาจาดําริกรุณาเขาในใจมันถึงจะออกมาทางกายทางวาจา ดัมมุทิตาเขาในใจดํมริโธกในการที่คิดไม่เบียดเบียนเขาคิดรักปรารถนาดีเขาต้องการยกย่องส่งเสริมเขามันถึงจะมีมุทิตาออกมาทางกายทางวาจาทั้งสีหน้าแล้วแววตามันถึงจะออกมาด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีด้วยความเอื้อทอนทีนี้ทางด้านจิตใจนั้นสำคัญมากไห right? มมโนกรรมที่เป็นเมตตามนโนกรรมที่เป็นกรุณามนโนกรรมที่เป็นมุทิตาหรือเป็นอุเบกขา กุ่มพรมวิหารธรรมนี้ก็ใช้ให้ถูกต้องตามสถานะในฐานะเป็นครูเป็นอาจารย์ไม่ใช่ว่า เ, ออเขาปกติเป็นปกตินี่แหละแต่เราไปกรุณาเขาอันนี้มันก็ผิดละ่ะในยามเขาปกติเราไปกรุณาได้อย่างไรยามที่เขาประสบทุกซื่อถึงจะเป็นกรุณาออกมานี่ปนแปลว่าอะไรพระธรรมรัตนะนั่นแหละรัตนะนั่นแหละอยู่ในใจก็เลยใช้เป็นใช้ถูก แล้วก็ยึดโยงต่อกันเป็นเครื่อง ย, ยึดเหนียวและลึกถึงกันนิเมตตาก็ออกมาทางกายออกมาทางวาจาออกทางทงใจทั้งต่อหน้าและรับหลังกรุณาก็ออกมาทางกายวาจาใจทั้งต่อหน้าและรับหลังมุทิตาพรอยินดีก็ออกมาทางกายทางวาจาทั้งใจทั้งต่อหน้าและรับหลังแม้อุเบกขาเมื่อเข้าไปสมานเข้าไปร่วม ร่วมสุขร่วมทุกร่วมกิจกรรมใดๆก็แล้วแต่ถ้ากิจกรรมที่ควรเดินเมตตาออกมาทางกายทางวาจาหรือประพฤติประโยชน์ก็เดินออกมาเต็มที่ถ้ากิจกรรมใดๆที่ควรจะเดินออกกรุณาเพราะตอนนี้กำลังประสบปัญหาเช่นเกิดภาวะที่โอ้โหสภาพที่ต่างคนต่างจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันยกตัวอย่างน้าท่วม ยกตัวอย่างเช่นบุคลากรเกิดขาดแคลนเนี่ยเดอเอเริ่มจะไม่ค่อยพอแล้วเนี่ยเกิดภาวะสมองไหลอะไรก็แล้วแต่นเนี่ยนะเอาก็ช่วยกันประสานกันเพื่อจะทําให้ประคับประครองอะไรประคับประครองเนี่ยคุณความดีเหล่าเนี้หรือประคับประครองเพื่อให้บุคลากรของประเทศคือเยาวชนทั้งหลายได้ข้อมูลได้ความรู้อย่างจริงจังแต่ไม่ใช่ว่าเออไม่สนใจแล้ว เราก็รับเงินแล้วก็กลับอย่างนี้แปลว่าเราก็เอาความรู้สึกเราไปไว้กับผลโดยอ้อมอยู่ดีที่สุดจริงๆก็ก็ขาดการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอันนั้นทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นบุคคลโดยทั่วๆไปทีนี้ก็คือควรเมตตก็เมตตาควรกรุณาก็แสดงกรุณาออกมาทางกายทางวาจาใจควรมุทิตาเมื่อสภาพสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปได้ดีก็ แสดงมุทิตาเขาเอาตัวเองเข้าไปร่วมสมานแต่ถ้าทำเต็มที่แล้วมันได้แค่นี้ก็ไม่ทุกมีปัญญาพิจารณาวิจัยก็วางใจเป็นกลาง ว, าว่าสัตว์่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นทรัพย์สมบัติของตนทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่ว ถ้าเป็นกุศลกรรมก็จะตามส่งเสริมกระแสชีวิตแต่ถ้าเป็นอกุศลกรรมก็จะตามเบียดเบียนกระแสชีวิตเห็นไหมว่ากรณีอย่างนี้ก็คือการแบ่งปันเนี่ยแบ่งปันทั้งทั้งวัตถุไอตัวแบ่งปันวัตถุนี่คือจิตที่คิดจะแบ่งปันคิดจะให้ที่เป็นไปกับเมตตากรุณามุถิตาทีนี้การให้วัตถุอย่างเดียวเนี่ยแต่สิ่งที่ถูกสละไปคืออะไรเนี่ยก็คือความโลภ ความยึดติดความเห็นแก่ตัวมันถูกสละออกจากการสละวัตถุความตนีอีกอย่างหนึง่งพัฒนาขึ้นไปบอกว่าไม่ใช่แค่ให้วัตถุให้ความปลอดภัยในชีวิตการให้ความปลอดภัยในชีวิตเนี่ยอันนี้ขึ้นมาสู่ระดับอภัยทานคำว่าอภัยทานไม่ใช่ไปปักป้ายทิ้งเขาไว้ว่าเขตดอภัยทานนะ แต่พยทานแปลว่าอะไรตลอดเวลาทําตนเองนั้นไม่ให้เป็นภัยและในขณะเดียวกันก็วางกายกรรมวิจีกรรมโนกรรมโดยการที่ว่าให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายหรือของบุคคลทั้งหลายบุคลากรทั้งหลายที่มาเกี่ยวข้องก็ให้ความปลอดภัยในชีวิตการให้ความปลอดภัยในชีวิตมีหลายสถานภาพนะเช่นเข้ามาในโรงเรียนก็ให้ความปลอดภัยก็ไม่ให้เขาต้องเจ็บป่วยหรือไม่ให้เขาประสบความลำบากหรือไม่ให้เขามีภัยเกิดขึ้น และในขณะเดียวกันสภาพจิตใจของเรานั่นแหละก็คิดกับเขาด้วยเมตตาด้วยกรุณาเป็นต้นประการต่อมาก็คือให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินเห็นไหมก็เป็นอภัยทานคือทรัพย์ของใครจงเป็นของท่านพูนนั้นแล้วก็ปราถนาให้เขามีความสุขสัทรัพย์มีความเจริญกับทรัพย์เขาตลอดกาลและตลอดไปให้ความปลอดภัยในคู่ครอง ให้ความปลอดภัยโดยการเราจะให้คําสัตย์คําจริงเห็นไหมการการเป็นครูเป็นอุคลากรหรือเป็นประชาชนโดยทั่วๆไปเนี่ยสำคัญมากนะถ้าเราไม่เข้าใจคําว่าให้ความปลอดภัยเนี่ยแปลว่าเราจะให้แต่คําสัตย์คําจริงเราจะไม่กล่าวเท็จเราจะไม่หลอกลวงใครเราจะพูดด้วยใจที่เป็นขับเน้นตัวสภาพคุณสนออกมาจริงๆแล้วก็เราจะให้ความสมัครสมานสามคัคคีไม่ให้ความแตกแยก เห็นไม้สภาพสังคมสภาพสิ่งแวดล้อมมันก็ไปด้วยกันด้วยสมัครสมานและเราจะให้ปียวาจาวาจาเป็นที่รักเราจะไม่กล่าวด้วยความโกรธด้วยความเครียดด้วยความวิตกกังวลประการต่อมาก็คือที่เห็นได้ชัดเจนอีกมุมหนึ่งก็คือว่าเราจะให้สิ่งที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องไม่กล่าววาจาเหลวไหลก็เลยมาอยู่ในข้อว่าเอาละเราจะให้ธรรมทาน ก็คือให้วิชาการที่ไม่มีโทษแก่บุคลากรและกับบุคคลที่เข้ามาแสวงหาวิชาการและความรู้กับเราแปลว่าอะไรเนี่ยชีวิตของเราก็ได้ให้ตลอดได้ให้ทั้งตัววัตถุได้ให้ทั้งเปาอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและได้ให้สติปัญญาให้ข้อมูลให้ความรู้ให้วิชาการที่ไม่ไ ม, ไม่มีโทษแล้วก็ให้ก็คือให้พระธรรมนั่นเองนี่ไงพอรัตนาเกิดขึ้นในใจก็เลยกลายเป็นว่า ทำให้กระแสชีวิตของเรานั้นนะเข้าสู่ความสุขเข้าคุณความดีงามตรงนี้อีกอย่างหนึ่งพูดถึงเรื่องระเบียบจะสังเกตนะว่าโรงเรียนบรรจงรัฐเนี่ยพยายามรักษาระเบียบเรื่องการแต่งกายสังเกตดูนะและไม่ใช่แค่ที่นี่ในหน่วยงานราชการใช่มใน โรงพยาบาลณนะที่ไหนก็จะมีระเบียบในการที่จะมีมีมีฟอร์มมีชุดการจัดระเบียบเนี่ยดีไมด่ดีแต่สิ่งที่สำคัญที่สุด ก, กว่าระเบียบภายนอกคือระเบียบภายในทำยังไงเราจะมีระเบียบในใจไม่ใช่ระเบียบภายนอกเพราะระเบียบภายนอกเนี่ยมันอึดอัดนะ ถ้าใจมันไม่มีระเบียบถ้าระบบการจัดสรรภายในมันไม่เป็นไปกักุศลนี่นะไอ้ระเบียบภายนอกที่เรามาตกมาแต่งเนี่ยกลายเป็นความอึดอัดใช่ไหมหลายหลายคนก็เป็นสมัยก่อนที่เป็นเด็กนักเรียนเนี่ยเวลาเขาให้แต่งตัวเนี่ยรู้สึกเราจะอึดอัดมากเช่นให้นุ่งกางเกงขาสั้นแค่นี้เราก็มีความรู้สึกเอ๊ะทำยังไงอยากจเจรเมิดรู้สึกทะเลมิดได้รู้สึกมันโก้นะรู้สึกมันเทย่ยังไงก็ไม่รู้เห็นไหมนั่นแปลว่าอะไร แปลว่าเราจัดได้เพียงระเบียบภายนอกแต่ระเบียบภายในซึ่งเป็นวินัยชั้นศีลเนี่ยนะซึ่งเป็นตัวศีลเป็นตัวระเบียบที่แท้จริงเนี่ยมันเกิดขึ้นจากสภาพใจที่เป็นไบกุกุศลมันมีความสุขมันสามารถจับระบบระเบียบภายในได้ให้สังเกตตัวพระเนี่ยถ้ายอมมองว่าพระเนี่ยแต่งชุดไม่เหมือนกันเนี่ยพระมีระเบียบไหมจริงๆนะมี ระเบียบจริงๆเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่สีแต่ระเบียบจริงๆม่อยู่ที่วินัยที่ท่านปฏิบัติเน่เหมือนกันเห็นไหมการปฏิบัติวินัยจะเหมือนกันมีวินัยในการ อ, อยู่ร่วมกันครูอาจารย์ควรปฏิบัติต่อสิทธ์อย่างไรสิทธ์ควรปฏิบัติต่ออาจารย์อย่างไรเขาปฏิบัติกันถูกต้องอเห็นไหมระเบียบจริงๆมันถูกคัดสรรมาจากภายในแล้วมันออกมาทางกายทางวาจา แต่ตัวระเบียบจริงๆมันถูกจัดที่จิตมันไม่สุจัดที่รูปแบบดอกไม้เนะี่ยยอมดอกไม้หลากสีเนี่ยนะเอามารวมรวมๆกันมันงามมันดูสวยใช่ไหม<ด>สง์อ่ะที่เขาบอกเหมือนดอกไม้หลากสีเขาดูตรงไหนดูว่าอ๋อจริงๆท่านดูระเบียบที่ท่านปฏิบัติออกมา แปลว่าท่านใช้ปัญญาดูกายกรรมที่แสดงออกทางกายออกแสดงออกทางวาจาแต่ขับเน้นที่ใจเพราะตัววิัยตัวศีลจริงๆเนี่ยมันขับเน้นจากตัวปัญญาโยมปัญญาแล้วมาม า, มาดํหลิถูกพอดำหลี่ถูกก็ดำหลี่ยังไงดำหลี่ในการไม่เบียดเบียนง่าดำหลี่ในการที่จะไม่ปัสสาละไม่ไม่พูดเท็จน่ะ พอดำหรีออกมาเบีเสร็จก็คือไม่ฆ่าไม่รักไม่ประพฤติผิดในการมเพราะดำหรีถูกไงคิดถูกพราะคิดถูกก็เลยไม่พูดเท็จไม่กล่าววาจาส่อเสียดไม่กล่าวเพ้อเจอ้อแล้วก็ไม่กล่าววาจาที่หยาบขายเห็นไหมพอระเบียบในใจตัวปัญญามาคัดสรรความรู้ความเข้าใจมาคัดสรรระบบระเบียบมันเลยออกมาทางกายทางวาจาแต่ถ้าเราจัดเพียงได้แต่ระเบียบภายนอกนะ เราก็ยังไม่เข้าถึงคําว่ารัตนะแต่นั้นแหละเป็นเบื้องต้นเป็นเบื้องต้นอาจจะจัดฟอร์มจัดชุดก็ว่ากันไปทุกหน่วยงานก็มีแต่แต่อย่าลืมนะระเบียบจริงๆมันไปอยู่ที่การออสแสดงออกมาทางกายทางวาจาแต่มันเกิดจากความรู้มันไม่ได้เกิดจากการบังคับแต่มันเกิดจากความรู้เกิดจากความเข้าใจที่มันเป็นตัวปัญญาแล้ว มขัสสารเขาเรียกสัมมาทิฏฐิไอ้ตัวสัมมาทิฏฐิเป็นรัตนะคือเป็นรัตนะที่สองสัมมาสังกปะคือดาริชอบก็เป็นรัตนะที่สองคือตัวพระธรรมมรัตนะก็เป็นชื่อของโรงเรียนนี่แหละชื่อของโรงเรียนนี่แหละไอ้ตัวบรรจงก็เลยบรรจงจะรักษารัตนะคือพระธรรมเนี่ยให้อยู่ในกระแสะชีวิตก็คือจะดำริให้ถูกเพราะดำริดึกถูกไปเสร็จ ไอตัววินัยก็เลยถูกคัดสรรออกมาก็จะดูงดงามแล้วเป็นไปด้วยอะไรเนี่ยผู้ปฏิบัติก็มีความสุขปลาโมดก็เกิดปีติก็เกิดความสุขก็เกิดสมนัสก็เกิดแล้วก็พร้อมที่จะเดินเข้าสู่สมาธิและปัญญาที่สูงขึ้นไปไอ้ตรงนี้เกิดจากความเข้าใจนะว่าโอ้ระเบียบจริงๆมันถูกจัดระบบมาจะกภายใน ให้สังเกต ด, ดูนะว่าถ้าคนอึดอัดกระระบีบที่เขาตั้งไว้จะทุกข์มากจะทุกข์มากแล้วเครียดอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยภายในจริงๆมันไม่มีระเบียบนี่เราจะเข้าถึงรัตนะได้อย่างไรแล้วก็บอกบอกว่าเออมนุษย์ดิฝึกได้แล้วก็เอารัตนะนี่แหละเอาคำว่าบรรจงรัตบรจงรัตนี่แหละเอาเป็นตัวตั้งสิ พุทธรัตนะเป็นแบบฉบับเป็นแบบอย่างให้เราอยู่แล้วธรรมรัตนะเป็นแบบแผนเป็นข้อปฏิบัติสามรัตนะท่านเดินเข้าไปถึงแล้วเอ้าเราก็เห็นรัตนะงามเป็นตัวประจักษ์พยานให้เห็นเป็นรูปแบบเป็นแบบฉบับอยู่แล้วแล้วก็ฝึกพัฒนาเราสิจากอันธบุรุษชนคือบุรุษชนที่ยังไม่ได้ฝึกยังไม่ได้พัฒนาก็เข้ามาสู่ความเป็นกัลยาณบุรุษชนแล้วก็เป็นครูนั ที่เป็นกัลยาณนะสติจิตมาก็เป็นคนดีคือเริ่มจากฝึกเพื่อเข้าไปสู่กระบวนการศึกษาสิกขาเนี่ยหรือศึกษาเนี่ยภาษาไทยอะ่ะมาจากคำว่าสิกขาภาษาบาลีมาแปลเป็นไทยคือศึกษาศึกษาก็คือกระบวนการการพัฒนากระบวนการการฝึกกระบวนการที่จะทำให้ตนเองนั้นเข้าถึงเข้าถึงอะไร เข้าถึงความดีงามทั้งหลายอันนี้ก็พัฒนาไปถ้ามองอย่างนี้ก็จะเห็นคําว่าเอาละเราได้ระเบียบภายนอกดีอยู่แล้วแต่จะเอาระเบียบภายนอกนี่แหละมาเป็นปัจจัยเกื้อหนุนสร้างระเบียบภายในให้เกิดความสุขสมมานัดเลยๆแล้วก็จัดระบบภายในการแสดงออกมาทางกายทางวาจาทีนี้และทางใจที่งดงามเพราะกายก็งดงามวาจาก็งดงามใจก็งดงาม ทีนี้ระเบียบถูกจัดภายนอกเป็นวัฒธรรมรัตนะอยู่ในใจของคณะครูหรือบุคลากรในโรงเรียนปรรจงรัดเรียบร้อยแล้วทีนี้ลูกศิษย์หรือนักเรียนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามาโอ้โหก็มาเห็นใช่ไหมเห็นว่าธรรมรัตนะเห็นระเบียบที่มันออกมาจากภายในแล้วออกมาทางกายออกรทางวาจาโดยมากถูกขับเน้นมาจากใจที่ถูกต้อง มันก็ถูกเชื่อมประสานเขาเรียกว่ามันไหลออกมามันล้นออกมาจากบุคล า, ากรในนี้มันก็เลยไหลออกมาสู่สิทธญานุสิ์หรือบุคล า, ากรที่เกี่ยวข้องก็เหมือนอะไรเดียเหมือนแสงเทียนเนี่ยจุดติดในกระแสะของใจกระแสะชีวิตของบุคล า, ากรหรือของครูในโรงเรียนหรือบุคล า, ากรในโรงเรียนเพราะแสงเทียนจุดติด คนที่เกี่ยวมาเกี่ยวข้องเขามีแต่เทียนแต่เขาไม่มีแสงไม่มีไฟพอเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราเอา้าวเราก็จุดเข้าไปอีกเห็นไหมก็สว่างใหญ่เลยแต่นี้พระธรรมรัตนะตัวรัตนะนี่แหละพราะเราบัญชงรักษารัตนะไว้ไม่ให้ดับไม่แสงเทียนหรือคุณความดีดับพอบุคลากรมาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือใครก็แล้วแต่มาเกี่ยวข้องก็มาจุดต่อๆกันก็สว่างทั้งโรงเรียน เอามีนักเรียนเท่าไหร่มีนักเรียนพันกว่าคนสองพันกว่าคนสามพันกว่าคนก็จุดติดหมดเลยเอาแล้วนักเรียนจุดติดแล้ววลนกลับไปที่บ้านพ่อแม่ก็เห็นพฤติกรรมเอาพ่อแม่ก็พลอยไปขอจุดติดกับกับนักเรียนไปด้วยแต่นี้ก็สว่างนะเข้านะเข้าทั้งลบบุรีก็เอแสงสว่างก็มากขึ้นเผลอๆก็นุ่นเข้าไปในโรงพยาบาลก็ไปจุดด้วยหมอก็ไปจุดที่โรงพยาบาลเขาอีกสักหนึ่ง แสงสว่างหนึ่งแสงนะเขานะเขาก็จุดทั้งโรงพยาบาลนะเขาก็จุดทั้งจังหวัดเลยบุคลากรทางการแพทย์หรือทางพยาบาลทั้งหลายก็พลอยจุดเทียนกาวคือลัตนะติดไปหมดเอา้าองค์กรการศึกษาก็ติดองค์กรฝ่ายทางพยาบาลหรือทั้งฝ่ายการแพทย์การการรักษ า, าพยาบาลก็ติดอีกคนไข้ที่ไปรักษาเอาก็พลอยมาจุดแสงเทียนติดไปอีกแม่ฟูแล้วภาพนี้มันน่าชื่นใจนะ ทำยังไงเราจะให้คาว่ารัตนะเนี่ยสว่างรุ่งเรืองอ่ะเป็นดุดดวงประที่ให้สว่างไปในโลกโลกก็คือกระแสของชีวิตทุกชีวิตเนี่ยให้มีการจุดรัตนะให้ติดเพราะจุดติดแล้วโอ้โหไปที่ไหนก็สว่างสวัย น, น, น่าชื่นใจั้มก็น่าเชื่นใจอันนั้นก็เป็นความมุ่งมั่นเป็นความหวังฉะนั้นมาตรฐานชีวิตของพุทธบริษัทเนี่ยต้องจุดรัตนนาในใจให้ติด แต่ไม่ใช่ว่ากระแสะชีวิตของเรายังจุดไม่ติดแต่เราอยากจะไปจุดให้คนอื่นไอ้ตรงนี้ก็ไอ้ตรงนี้ก็เขาเรียกว่าอืมไอ้ตรงนี้ลืมตนเอง อ, อัตตาก็คือประโยชน์ตนไม่ไม่ติดก็ต้องขับเน้นประโยชน์ตนให้ได้ใช่ไหมล่ะฝึกตนเองด้วยแล้วก็คนอื่นก็ได้ฝึกด้วยตนเองจุดได้ด้วยแล้วคนอื่นก็จุดติดไปด้วย อันนี้ก็ฝากไว้ให้นําไปปฏิบัติแต่ไม่ใช่ฝากไว้ให้คิดอ่ะคิดนี่คิดให้แล้วแต่ฝากว่าทำอย่างไรที่จะเอาไปปฏิบัติแล้วให้มันเกิดมาเป็นผลออกมาได้จริงๆโดยส่วนใหญ่ก็คือแต่ก่อนบอกว่าเอาฝากไปให้คิดให้คิดอย่างเดียวมันไม่ออกมาทางกายทางวาจาหรือมไม่เป็นเนื้อเป็นตัวออกมาเนี่ยงก็ อา้าโยนคำสอนโยนลัตะนาเข้าไปสู่ใจสู่กระแสะชีวิตคำโยมจุดแค่ยมไปซะเลยเอา้าเริ่มจุดตั้งแต่นั่นแหละยมพ่อยมแม่ให้ติดก่อนพอติดไปเสรเ็จเอาแล้วตอนนี้แสงสว่างก็ไม่เครียดแล้วไม่ทุกข์แล้วไม่ตีกตกกังวลแล้วก็จิตใจก็ผ่องใสก็ชื่นบานก็ยิ้มแย้มแจ่มใสก็ปล่อยวางได้ปล่อยวางได้ใช่ม ปล่อยวางได้เพราะอะไรชื่นใจแสงพระธรรมมันอยู่ในใจแล้วเพราะแสงพระธรรมอยู่ในใจเบอร์เสร็จนี้แปลว่าอะไรก็ได้สุขได้โสมนัสได้ปีติได้ปราโมดได้สมาธิได้ปัญญาไอ้ตัวสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาก็เลยเป็นวิชาในการที่พัฒนากระแสชีวิตเข้าไปสู่เป้าหมายปลายทางที่ชัดเจนต่อไปก็จะได้เป็นอิสระเป็นเสรีภาพ จากการเป็นธาตของกิเลสหรือเป็นธาตุของทุจริตทางกายทางวาจาและทางใจกระแสชีวิตของเราก็ได้ไม่เดือดร้อนแล้วเราก็จะได้เข้าสู่ความดีงามความประเสริฐและก็ความเลิ่นมันก็เป็นไปด้วยความปลาโมดแล้วก็ปีติสภาพสังคมเนี่ยนะสังฆมาเนี่ยมันก็ไปร่วมกันได้แบบไปแบบที่เขาเรียกว่านี่ไง ทุกวันนี้ก็จุดกระแสปองดองแห่งชาติอย่างนั้นเขาเรียกปองดองภายนอกปองดองรูปแบบแต่ถ้าหากว่าใช้หลักสมานสามคัคคีที่มันจุดกระแสของรัตนะไว้ในใจแล้วก็สามารถออกมาเป็นเมตตากายกรรมเมตตาวจิกรรมเมตตามโนกรรมแบ่งปันให้กันด้วยเมตตากรุณาเมตตาแล้วเบิกขาได้จริง อันนี้เ็าเรียกว่าปองดองมาจากภายในแล้วมันปองดองจริงสามาคีจริงแล้วสังคมมันจะไปอยู่ไปไม่พังเพราะมีริมไอริมตัวนั้นก็คือน็อตก็คือตัวสลักเป็น็อตที่ขันล้อรถไว้สังคมเรามีตัวน็อตขันก็คือกลุ่มพร ม, มิหาร กมสังฆาวัตถุ ก, ก็คือทานเนี่ยการให้การแบ่งปันเป็นต้นที่เป็นไปกับเมตตากรุณามุติตาเนี่ยปิยาวาจาก็เป็นไปกับเมตตากรุณามุติตานี่แหละอัตถจริยาที่พวกพืชประโยชน์ต่อกันก็เป็นไปกับเมตตากรุณามุติตานี่แหละสมานัตตาคือใช้พระวิหารทั้งสี่ร่วมสุขร่วมทุกข์เอาตอนเองเข้าไปสมานวางตนเสมอตนเสมอไป เ, อเขาสุขแต่ก็ทั้งหมดเหล่านี้ก็คือ คัดสรรได้ถูกต้องและแยกแยะบุคคลได้ชัดเจนอันนี้ไงเป็นหลักที่จะทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในหมู่ในองค์กรเล็กๆอาจารย์ว่าเล็กๆถ้าเทียบกับประเทศยมยอมก็เล่าให้มาฟังว่าภูมิใจสร้างโรงเรียนบันจงรัดมาเนี่ยสามสิบสี่สิบปีแล้วว่าโอ้โหไม่น่าจะมาขนาดนี้เลย ก็ภูมิใจแต่ก็เมื่อวานเมื่อวานก็มานั่งปลาล็อกไปฟังว่าเดินไปดูโรงเรียนทีไรก็ทุกใจทุกที <c oughs> มันปล่อยไม่ได้ท่านนี่นะฝรนี้ก็มันปล่อยวางไม่ได้มันทุกข์เหลือเกินก็เลยถามว่าถ้าวันไหนเดินไปดูโรงเรียนไม่ได้แล้วจะทำยังไงย่แม่ก็บอกว่า อย่างนี้มีเทคโนโลยีก็คงจะเข็นลถไปเอออย่างเงี้ยอ้าวอย่างนี้แปลว่าอะไรแปลว่ายังทุกข์ใจบางทีก็สงสารลูกมีพัวโดสงสารลูกสร้างซะใหญ่โตลูกก็เหนื่อยกันทุกคนก็ต้องเข้าไปบีบไปนวดกันนี่แปลว่าอะไร แปลว่าเครียดใช่ไหมล่ะเออตัวเนี้ยทีนี้เหตุที่เป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้ตอบยอมแม่เอาวันนี้จะตอบเออคืออย่างนี้พระเอิญก็คือว่าบทสวดมนต์อยู่บทหนึ่งที่เราสวดว่า สวาขาโตภะคะวตาธมโมสันพิทิโกอาการิโกเอหิปสิโกโอปัญญิโกถ้าวันใดวันหนึ่งเราน้อมธรรมรัตนะคือชื่อของโรงเรียนนั่นแหละตัวรัตนะคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัต น, นะนี่แหละคุณของปริยสง่์เอามาไว้ในความกระแสของความคิดทีนี้พอเข้ากระแสของความคิดจริงจเนี้ย อะไรจะเกิดขึ้นสภาพจิตที่ปล่อยวางจะเกิดจะปล่อยวางยังไงเราเห็นโรงเรียนเนี่ยเป็นอันนี้จังหที่แรกจริงๆเนี่ยยอมก็เล่าให้มาฟังว่าโรงเรียนเนี่ยวันแรกที่เปิดเนี่ยมีนักเรียนมาเจ็ดคนอย่างนี้นะ เห็นเห็นความไม่เที่ยงไหมเแล้วพัฒนาได้ยังไงเนี่ยเคลื่อนเคลนมาอันนี้ก็คือความไม่เที่ยงแต่มันเป็นอันนี้จังขาขึ้นนี่คือความไม่เที่ยงรู้ไหมว่าทําไมจึงเป็นอันนี้จังขาขึ้นก็เพราะไปสร้างเหตุรู้เหตุและรู้ผลรู้เหตุว่าถ้าทําอย่างเนี้ยโรงเรียนจะเป็นขาขึ้นคือบุคลากร ก, ก็จะเพิ่มขึ้นนักเรียนก็จะเพิ่มขึ้น แล้วก็รู้เหตุของความเสื่อมถ้าทำอย่างนี้สภาพนักเรียนก็จะล้อยหลอลงร่อยหลอลงสรุปก็คือว่ากระแสชีวิตเนี่ยมันก็มีแค่อันนี้จังนี่แหละทุกขังหน้าตาที่แหละมันจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงแต่อย่าลืมนะอันนี้จังขาขึ้นเนี่ยมนุษย์มักประมาทมักจะไม่ค่อยเห็นสัจจะความจริงของชีวิต การจะตัดสู้สัจจกความจริงได้โดยส่วนใหญ่ก็คือเราเห็นกระแสชีวิตเนี่ยมันเป็นอันนี้จังขาหลงทีนี้ประเด็นมันอยู่ว่าให้สังเกตดูที่ว่าบุคลากรของโรงเรียนก็ดีนักเรียนก็ดีเนี่ยเอออามาก็ไปดูกราฟที่แสดงผลนักเรียนมากนักเรียนน้อยอามาก็เดินยอมก็พามาเข้าไปดูในโรงเรียนอามาก็เดินอามาคนช่างสังเกต เอามาก็ดูโอ้โหเนี่ยบางปีมันมีบางปีพุ่งสูงกว่านี้ด้วยแล้วมันก็ลงมาเห็นไหมเห็นสภาพเขาอันนี้จังไหมมันขาลงนะเนี่ยแล้วต่อมามันก็เหมือนจะคงที่นั่นแหละแต่เดี๋ยวก็จะลงเดี๋ยวก็จะขึ้นอันนั้นอยู่ที่การให้เหตุและปัจจัยแต่ที่เห็นแน่ๆคือกระแสชีวิตของยอมพ่อและยอมแม่ตลอดถึงเนี่ยบุคลากรคือครูเนี่ย อันนี้ก็เป็นอันนี้จังขาลงเห็นไหมก็คือชรลาเนี่ยมันเริ่มมาแล้วนี่ที่นั่งๆกันอยู่เลยชะลามาเยือนเต็มไปหมดเลยผมเป็นยังไงขนเป็นยังไงเล็บเป็นยังไงฟันเป็นยังไงหนังเป็นยังไงเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับตอนนี้มันเริ่มจะทําหน้าที่วิปลิตผิดเพี้ยนแล้วใช่ไหมนี่ไงอันนี้จัง ขาลงแต่บางจุดของกระแสชีวิตคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยี่อในกระดูกไตหัวใจตับเนี่ยตอนนี้มันเริ่มจะหยุดทำหน้าที่ก็มีนะนี่ไงคือมรณะทีนี้เอ้าเห็นตรงนี้แล้วได้อะไรก็ฝากว่าการเห็นอันนี้จังแบบนี้แหละจะได้รีบฝึกตนเองพัฒนาจะได้โอปนโกเอาคาว่ารัตนะของโรงเรียนชื่อของโรงเรียนเนี่ย เอาพุทธรัตนะม า, าประชมไว้ในในความคิดซะเลยเอาธรรมรัตนะมาเป็นแบบฉบับในการเดินทางซะเลยเอาสังฆรัตนะที่ท่านเข้าถึงแล้วเป็นต้นแบบอีกด้วยแต่ต้นแบบสูงสุดคือพระเจ้าเราเนี่ยไม่ต้องลองผิดลองถูกใช่ไม้มพระเจ้าเนี่ยลองผิดลองถูกมาสี่สมขายยิ่ง้วยแสนมหากรมาในปัจจุบันนภพบนี่หกปีนะลองผิดลองถูกเนี่ย แต่พอพระพุทธเจ้าตัดสู้ความจริงเบียเสร็จพระเจ้าก็บอกความจริงหรือบอกรัตนะเนี่ยบอกชื่อโรงเรียนบบนี่แหละว่ารัตนาอันประเส ร, ริฐรัตนาอันประนีดรัตนาอันสูงสุดนี่ห้ตถาคตเกิดขึ้นมาแล้วแล้วตะถาคตบอกรัตนะที่ประณีดสูงสุดคือธรรมรัตนะเธอได้แบบฉบับเรียนรัดได้ไม่ต้องมาคิดเองเหมือนตถาคตโอ้โหสบายเลยดีนี้เราก็ออกคําสอนใช่ไหมล่ะเอามาไว้ในใจ ก็มองชีวิตและโลกตามที่มันเป็นก็ไม่ทุกข์แล้วสมมุติว่าเอา้าก็เราให้ข้อมูลให้เหตุปัจจัยไปแล้วทำดีที่สุดแล้วแล้วก็ตัดความกังวลได้ทันทีก็ทำดีแล้วกังวลแล้วได้อะไรก็ได้แค่ทุกข์ได้แค่วิตกกังวลเอาอย่างพวกเราเนี่นะเราดูแลลูกอย่างดีแล้ว ให้อาหารอย่างดีแล้วทำหน้าที่สมบูรณ์แบบแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องพักแล้วก็ไปนอนสิไม่ใช่เอ๊ะแล้วลูกจะกินไหมเนี่ยเอออาหารเข้าไปในท้องของลูกมันจะไปหล่อเลี้ยงกระแสชีวิตของลูกเนี่ยเอ๊ะมันในสภาพของวิตามินที่เข้าไปมันเพียงพอต่อร่างกายของลูกไหมเนี่ยแล้วมันนั่งวิตกกังวลอย่างเงี้ยมันได้ประโยชน์ไหม แปลว่าเราทำหน้าที่ป้อนข้าวให้ข้าวกินแล้วดูแลเบ็ดเสร็จแล้วตอนนั้นจบหรือยังนั้นจบแล้วก็วางเป็นเพราะอะไรรู้ความจริงของชีวิตและโลกตามความเป็นจริงเอาอะไรไปรู้เอาปัญญาอะไรเป็นตัวยึดโลภะกับตัวอุปาทานตัวยึดมั่นฉะนั้นเราก็ตัดโลภะแต่เอาปัญญาไปรู้ก็เลยการว่าไปมองโรงเรียนด้วยปัญญา แต่ก่อนมองได้ตัณหาเราก็ไม่เอาแล้วถ้ามองด้วยตัณหานี่มันยึดเนี่ยมองได้ปัญญาดีกว่าเอามองบุคลากรเหมือนครูมองกันถ้ามองด้วยตัณหาสิอาณาาเป็นพาสลองไปมองครูด้วยตัณหาสิเดือดร้อนใช่ไหมล่ะหรือมองญาติโยมได้ตัณหาที่เดือดร้อนหรือมองได้โทสะเอามาก็เดือดร้อนมองด้วยความหลงก็เดือดร้อนแต่ถ้ามองได้ปัญญาก็โอ้กระแสชีวิตทุกชีวิตเออยามปกติก็หน้าเมตตาเนี่ย แต่ยามเกิดปัญหาก็น่ากรุณาเอ่ยยามกระแสชีวิตที่กำลังเจริญอยู่ในกุศลธรรมเอ่ก็น้าน้ามุทุมุทิตานะแต่ที่สุดจริงๆกระแสชีวิตก็แก้ไขอะไรไม่ได้เอ่องวางใจเป็นก็ปล่อยวางว่าโอ้ชีวิตเป็นอย่างนี้เองก็เข้าใจความจริงของโลกและชีวิตตามที่มันเป็นตามความเป็นจริงก็ก็ฉลาดในการคิดขึ้นถ้ามองอย่างนี้เป็นยังไงชีวิตจะทุกข์ขึ้นไหม ทุกไม่ทุกมันก็ไม่ทุกแต่ที่ผ่านมามองแบบนี้ไหมอ่ะไม่มองอ่ะทำไมไม่มองเพราะไม่ได้เข้าไปหารัตนะอ่ะตอนนี้ก็เอานี้แหละพอคาว่าบรรจงรัตบรรจงรัตโอ้โหชัดเจนเลยเดี๋ยวนี้ก็เอามาใส่ไว้ในกระแสของชีวิตเลยทุกคนก็ได้ส่วนได้มีส่วนในการที่จะรักษาความดีรักษารัตนะเอาละ ก็จะไม่อยากจะใช้เวลามากกว่านี้รู้สึกใช้เวลานานเนี่ยพวกเราเริ่มขยับหลายหลหลายงก็ขอบโมทนาเนี่ยด้วยอนุภาพของคุณของพระพุทธเจ้าอนุภาพคุณของพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์คุณความดีทั้งหลายที่คณะมามากันเนี่ยถามว่ามาทำไมจริงๆก็คือต้องการมาให้พระธรรม ถ้าก็ลงไปที่มาจัดกลุ่มเล็กๆก็บอกอามาก็บอกว่าก็เลยพูดความจริงส่วนที่ไม่ไม่ได้พูดพูดให้คณะครูที่เข้าอบรมฟังจากกลุ่มเล็กๆเนี้ยบอกที่อามามากันเนี้ยจริงๆเหนื่อยนะต้องมาขับเน้นต้องมาสอนต้องมาเพียรพยายามเนี่ยถามว่าหวังอะไรสิ่งที่หวังก็คือปรารถนาให้พวกเราเนี่ยได้ประโยชน์กันอย่างแท้จริงได้ประโยชน์ และจริงๆตนเองก็นึกถึงพุทธโอวาทเมื่อได้ข้าวได้ที่อยู่ได้เครื่องนุ่งหม่มได้ยาจากชาวบ้านจากคารวาสแล้วพวกเธอก็ต้องทำกิจในการที่เอาธรรมรัตนะนี่แหละไปบอกไปกล่าวไปไปแนะนำเพื่อจะให้กระแสชีวิตของชาวบ้านและชาวโลกเนี่ยเขาเดินได้ถูกทางหวังแค่นั้นแหละหนึ่ง ตอบแทนตามพุทธโอวาทไม่ได้หวังอะไรเลยข้าววันนิดเดียวที่อยู่ก็นิดเดียวเสื้อผ้าก็ชุดแค่นี้แหละไม่ได้หวังเป็นเกียรติยศชื่อเสียงไม่ได้หวังเป็นเงินทองและไม่ต้องการด้วยแต่สิ่งที่หวังคือว่าเออพระธรรมคาสอนของพระเจ้าหรือตัวรัตตนาเนี่ย หวังว่าจะไปประชุมอยู่ในกระแสชีวิตของโยมและก็พัฒนากระแสชีวิตให้ถึงความดีงามและความจริงขอคุณและเจตนาของคณะสงฆ์คุณของพระรัตนตรยัยจงเป็นราวะปัจจัยเกื้อหนุนให้โยมพ่อโยมแม่ตลอดถึงครูและก็ญาติโยมทั้งหลายที่มาร่วมจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดนึกสิ่งใดที่เป็นไปกับคาสอนของพระศาสดา ที่เป็นไปกับความดีงามขอความคิดอันนั้นจงสมกว่ามุ่ง ม, มากปราทนาจงทั่วถึงการทุกท่านทุกประการเทิอเอา้าวตั้งใจรับพรเป็นภาษาบาลีสพโลขาวินิมุตโตสัมบสันตปาวะ สามบาเวรมาติการโตนีปุโตจตัววางบาวสซาพิตทยวิวัฒนบโลโควินาสตุมาเตเบาวัดวัน สุขีธีขายุโกบาวะพิวาดนาสีสนิจงวุทธาปจายโนจัตตารอรามวาทันติอา โยวันโนสุ ข, ขังบาลังอคอยมีความสุขปราศจากทุกข์มีใจเบิกบาน